พระธรรมเทศนาแผ่นที่69าลำดับที่22โดยหลวงพ่ออินทวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีแสดงธรรมในวันที่27กันยายน2557มีชื่อเรื่องว่าไม่เหลือวิสัยอาว อาาธานาสินห้ามาสู่วัดแล้วก็เอาสินห้ารักษาสินห่านะสินห้าเป็นสินที่เป็นสินคุ้มครองโลกถ้าว่าโลกของเรามีสินห้าทุกคนหรือว่าเป็นส่วนมาก การอยู่ด้วยกันก็ไว้เนื้อเชื่อใจกันถ้าหากว่าคนขาดศิลธรรมขาดศิลห้ามากๆไปนัชสถานที่ใดเราก็หาความไว้วางใจกันไม่ได้เพราะว่าขาดศีลเพราะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าทพระองค์ทรงบัญญัติไว้เป็นศีลคุ้มของโลกจริงๆ เพราะนั้นอย่างพวกเราทัานทั้งหลายให้ใช้ความคิดกันกรองไตรตรองด้วยเหตุและผลดูแล้วว่าสินห้าของพระพุทธเจ้าเป็นสินห้าี่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ที่พวกเราทําความชั่วคนทําความชั่วติดคุกติดตารางถ้าไปถามไถยดูแล้วคือข้อมูลเรื่องสินห้าทั้งนั้น ขาดศีลห้าห่างเหินจากศีลห้าที่ไปทําความชั่วที่คนอยู่ในคุกอยู่ในตารางเพราะฉะนั้นศีลห้าของพระพุทธเจ้าอย่าไปมอง ข, ข้ามว่าเป็นของเล็กน้อยถือว่าเป็นของใหญ่ทีเดียวถ้าว่าโลกทั้งโลกเคารพในศีลห้าแล้วโลกทั้งโลกจะ สงบ พ, พรอมเย็นเป็นสุขไปนสถานที่ใดอยู่นสถานที่ใดเรื่องเร็วร้ายทั้งหลายจะไม่เกิดขึ้นอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำเพราะนักนักตาญาติโยมที่หลวงพ่อไปนสถานที่ต่างๆหลวงพ่อจะอธิบายเรื่องศินห้าให้กับนักตถาญาติโยมได้ฟังเพราะว่าเรื่องศินห้า เราพูดแบบเผิวเผินก็เหมือนกับไกลตัวแต่ตามม่จิงศิลหาเป็นหน้าที่ของพวกเราทุกคนถ้าหากว่าพวกเราท่านทั้งหลายว่าศิลหาเป็นสิลที่ไกลตัวนั่นละ่ะก็ศิลหาเป็นหน้าที่ของคนที่เข้าวัดคนที่มีอายุ เ, าเท่านั้นละ่ะ ที่จะรักษาสินห้าพวกเรายังทำมาหาเลี้ยงชีพจะไม่มัวเมียรักษาสินห้าจะตุ่มเตียมหยุดมันก็สู้ขอไม่ได้นี่แหละอันนี้ก็คือตามไม่จริงสินห้าเป็นสินที่พวกเราทุกๆคนนำมาประพฤติปฏิบัติแล้วทุกคนอยู่ในชุมชนใดไว้เนื้อเชื่อใจกัน คนโบราณเขาจึงมีพิธีกรรมพิธีการถ้าหากว่าเป็นงานไหนเป็นงานมงคลคือวันเกิดหรือว่าทาบุญขึ้นบ้านใหม่หรือว่างานแต่งงานคนโบราณเขาก็ให้สมาทานศีห้าหรือว่างานอั ป, ปมงคลคืองานตายงานทาบุญอุทิศส่วนกุศลกับผู้ตายเขาก็ให้มามาพร้อมกันแล้วก่อน รักษาสมท า, านสินห้าุปแล้วก็คือถ้ามารวมกันถ้าทำสาธารณปิธีแล้วโบราณเขาให้รักษาธทานสินเป็นเบื้องต้นซะก่อนคือชำระกายวาจาให้เรียบร้อยชื่อว่าสินสินห้าเพราะอันดับแรกหลวงพ่อจะเป็นผู้พานำอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเมื่อกี้เนี่ยพยังพันเต วิสุงวิสุงรักณัดถายะติสรณเนนัสหะแต่บางครั้งก็บอกมายังพันเตเวิสุงวิสุงบางครั้งก็ไมยังพันเตติสรณเนนัสหะแต่รักษาสินห้าเหมือนกันทำไมไม่พูดแบบเดียวกันแต่ตามไม่จริงมันคนลำแบบกันนะแต่เราศึกษาดูให้ดีเพราะเป็นบาลีพวกเราไม่รู้แต่ตามไม่จริงกับสินห้าเหมือนกันนะ่แะ แต่ข้าพเจ้าวิสูงวิสูงนะข้าพเจ้าจะรักษาศินห้าเป็นข้อข้อ่งข้อ1ถึงข้อ5แต่มายังพันเตติสรเนนัสหะข้าพเจ้าจะรักษาศินรวมกันทั้ง5ข้อถ้าว่าขาดข้อใดข้อหนึ่งไปว่าขาดทั้งหมดแต่ถ้ามันวิสูงวิสูงนะขาดที่ละข้อละข้อตามว่าเราสมาทานเสร็จแล้วเราไปข่ายุงไปข่าหมด อันนี้ขาดชิ้นไปข้อหนึ่งยังอยู่เหลือสี่ถ้าไปขโมยของเขาเข้าขาดจงเหลือสามนี่แหละอันนี้ก็คือวิสุงวิสุงแต่ปัญจะนี่ถ้าขาดข้ออะไรข้อหนึ่งก็เบปว่าขาดทั้งหมดอันนี้ที่เราขอมาอย่างพันเตวิสุงวิสุงกับมาอย่างพันเตติชรเนศสหปัญจนะจากนั้นก็ว่านโมนโมตัสสะ เราทําไมจึงรักษาศีลห้าจึงหว่านหน้าโมเพราะว่าศีลห้าเป็นศีลของพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้บัญญัติศีลห้าให้กับพวกเราท่านทั้งหลายได้ศึกษาได้ปฏิบัติเพราะนั่นก่อนที่จะนำํำศีลของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเพราะพวกเราเห็นด้วยวคนที่มีศีลห้าแล้วมีแต่ความสงบพร่มเย็นเป็นสุขไม่เบียดเบีย น, ยนซึ่งกันและกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราเห็นว่าศีลห้ามีคุณค่ามีประโยชน์ ก่อนที่เราจะรับศีลห้ามาปฏิบัติเราก็ได้นอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนเพราะเป็นพระพุทธเจ้าเป็นต้นศาสนาเป็นต้นพระพุทธศาสนาเป็นต้นความคิดบัญญัติเรื่องศีลห้าเนี่ยให้พวกเราปฏิบัติเนี่ยเพราะฉนั้นพวกเราเห็นด้วยกับพระธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นเราจะนําศีลห้าของพระพุทธเจ้ามาปฏิบัติเราจึงนอบน้อมพระพุทธเจ้าก่อนนะนะโมตัสสะ พระขาวตัวอรหตัตสัมมาสาัมพุท ธ, ธัสสะข้าพเจ้าขอนอบน้อมเดชพระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นอันนี้คือเราสมาทานแล้วว่านอบน้อมถึงสามครั้งในวันณโมตสามจบจากนั้นกัพุทธังสรณนางคตฉามิธรรมังสังขังสารนางคตฉามิข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้า ว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือแล้วเป็นที่พึ่งเป็นสารณะเป็นที่พึ่งคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ดีรู้ชอบด้วยพระองค์เองเป็นผู้นําล้วเปเป็นผู้รู้จริงเห็นจริงในพระธรรมจากนั้นได้ประกาศพระธรรมคําสอนออกมาแล้วว่ารรมั่งข้าพเจ้าขอถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเป็นที่พึ่งสังขังข้าพเจ้า นับถือพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าที่ได้นําพระธรรมคําสอนออกมาประกาศบอกกล่าวเผยแผ่ให้กับพวกเราได้ยินได้ศึกษาได้ปฏิบัติคือพระสงฆ์ถ้าไม่มีพระสงฆ์นํามาพวกเราก็ไม่รู้เพราะมันหมดในยุคสมัยนั้นอันนี้พระสงฆ์เป็นผู้มีพระคุณจากนั้นกุติยามปิท้าพรเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าเป็นครั้งที่สองพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สอง ตาติยามปีฆ่าไปเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นครั้งที่สยืนยันถึงสามครั้งจะยึดพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะเป็นที่พึ่งจากนั้นก็กล่าวเป็นองค์ศิลป์ปานาติปาตาเว ร, รมณีสิกขาประทางสมาธิยามิข่าไปเจ้าจงงดเว้นในการฆ่าการฆ่าคนอื่นเขาเขามาฆ่าเราเราไปฆ่าเขา ถ้าเราไปฆ่าเขาก็าไม่กระไรเพราะเราไปฆ่าเขาแต่เมื่อเขามาฆ่าเราล่ะฆ่าพี่น้องวงศาคณะญาติสามีภรรยาลูกหลานของเราเรามีความเสียใจอย่างมากเพราะเขามาทําร้ายทํำลายมาฆ่าเราเมื่อเราไปฆ่าเขาเขาก็เช่นเดียวกันเมื่อเขามาฆ่าเราก็เช่นเดียวกันเขาก็เสียใจเราก็เสียใจเพราะฉนั้นพระพุทธเจ้าจึงมันยัดสินข้อที่หนยอย่าฆ่ากัน ข้อที่สองอธินนาธานาเวรมณีอย่าขโมยของซึ่งกันละกันไปขโมยสิ่งของของเข า, ข เ, ขาเขาก็เสียใจยถ้าเขามาขโมยของเราเราก็เสียใจยถ้าเราไปขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานวงศ์สกนาญาติของเขามาเรียกค่าไถ่เราก็เสียใจเขาก็เสียใจถ้าเราเขามาขโมยพ่อแม่พี่น้องลูกหลานของเราไปเรียกค่าไถา่เราก็เสียใจยเพราะนั้นการขโมยกัน ไม่ดีพระพุทธเจ้ามองเห็นแล้วว่าการขโมยสิ่งของด้วยการขโมยซึ่งกันและกันเป็นหนทางแห่งความเดือดร้อนวุ่นวายในชุมชนและสังคมเพราะนั้นพระพุทธเจ้าจึงมั่นยัดสินข้อที่สองข้อที่สมกาเมสุมิจฉยจาราวรัมณีสามีภรรยาลูกหลานของไข่ของเขาเขาก็รักสมวนห่วงแหนของเขาเราไปล่วงล้ำเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาล่วงล้ำเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกัน เพราะเหตุไรเพราะต่างคนก็ต่างมีสามีภรรยาลูกหลานเพราะนั้นให้เคารพสิทธิ์ซึ่งกันละกันอันนี้คือศินข้อที่สข้อที่สมุสาวาทาเวรมณีการไปกมโกหกต้มตุนหลอกลวงคนอื่นเขาเขาก็เสียใจถ้าเขามาต้มตุนหลอกลวงโกหกเราเราก็เสียใจเช่นเดียวกันเพราะนั้นสินห้าศินทั้งสีข้อเนี่ยพวกเราให้สังเกตดูสรุป ง่ายๆ ค, คือเอาใจเขามาใส่ใจเราเอาใจเราไปใส่ใจเขาในเมื่อเราไปทําให้กับเขาเขาก็เดือดร้อนถ้าเขามาทําให้กับเราเราก็เดือดร้อนเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าท่านเป็นกลางท่านบอกว่าอย่าอให้อย่ากระทําให้งดเว้นให้รักษาศีลอย่าไปทํำให้ล่วงละเมิดศีลห้าข้อมันเป็นพิษเป็นภัยทําให้โลกทั้งโลก เดือดต้อนทำด้วยการอยู่ด้วยกันไม่ได้รับความสงบผาสุกในชุมชนและสังคมอั น, นี้คือสินข้อ4ข้อที่หสุราเมรยมั ช, ชาปมาการดื่มสุราและเมลัยเป็นที่ตั้งแห่งความประมาณสุราก็คือเหล้าเมลัยก็คือเบียและทุกวันนี้มีคัญชายาฝิ่นเฮโรอีนยาบ้ายา마โคเคนมีมีเยอะแต่สรุปแล้วก็คือ เมื่อเราดื่มเข้าไปจะเป็นอะไรก็ตามทั้งที่ไม่มีชื่อก็าตามแต่เราดื่มเข้าไปแล้วเสพเข้าไปแล้วทำให้เหมาพอเมาแล้วขาดสติเมื่อคนขาดสติแล้วทำความชั่วด้ทุกอย่างฆ่าใครก็ได้สินข้อที่หนึ่งขโมยใครก็ได้สินข้อที่สองประพฤติผิดละลาบละลวงสามีภรรยาลูกหลานของใครก็ได้ข้อที่สามโกหกต้มตุนหลอกลวงใครก็ได้ ข้อที่สี่เพราะฉะนั้นศีลข้อที่หเป็นศินที่อันตรายข้อหนึ่งเหมือนกันเพราะมื่อขาดสติแล้วทําความชั่วได้ทุกอย่าง AL, ถ้าคนขาดสติถ้าคนยังไม่ขาดสติมันยังยับยั้งตัวเองได้แต่ถ้าคนขาดสติแล้วยับยั้งตัวเองไม่ได้เพราะมันขาดสติทําความชั่วได้ทุกอย่าง เ, AL, เหมือนกับคนเป็นบ้าอย่าง น, น, นั้นคนเป็นบ้านคนขาดสติ เ, AL, เพราะฉะนั้น สินห้าข้อพวกเราคิดดูให้ดีที่ว่าพระพุทธเจ้าบัญญัติสินห้าข้อนั้นมีคุณค่ามีประโยชน์อย่างไรอันนี้ก็ให้พวกเราท่านทั้งหลายคัดไข้ควรทบทวนดูสินห้าของพระพุทธเจ้ามีคุณค่าจริงๆมีประโยชน์จริงๆต่อชุมชนต่อโลกเพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายเห็นคุณค่าเรื่องศินแล้วสิทธห้าของพระพุทธเจ้าแล้วเราจรึงได้สมาทานศิน ถ้าใครก็ตามไม่รู้คุณค่าของศีลแต่ข้าพเจ้ารู้คุณค่าของศีลข้าพเจ้าคนหนึ่งจยรักษาศีลห้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้านะ่นะอยากจะให้พวกเราท่านทั้งหลายสมาทานศีลห้าก็ไม่เห็นมีเสียหายอะไรที่ตรงไหนถ้าเรารักษาศีลหาแล้วไปนะัสถานที่ใด เ, เราสบายใจเรามีความสุขใจ เพราะศีลคุ้มคองนะใครทั้งหลายใครก็เห็นว่าเราเป็นผู้มีศีลเขาก็ไม่รังเกียจเลยเขาไม่ได้ดละแวงเรื่องต่างๆที่มันเกิดขึ้นเพราะเรามีศีลห้านะถ้าคนมีศีลห้าไปนักสถานที่ใดโลกทั้งโลกโลวกใครก็ตามไว้เนื้อเชื่อใจกับคนผู้มีศีลธรรมเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกคนทุกท่านนะ ที่ฟังดูที่ว่าหลวงพ่ออธิบายมานี่ยมีประโยชน์ไหมมีคุณค่าไหมศีลธรรมของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อมั่นใจว่าศีลธรรมของพวกพุทธเ จ, าจ้ า, รรจา เ, เป็นศีลทาให้โลกทั้งโลกร่มเย็นเป็นสุขทั่วนหน้าน ะ, ะเมื่อพว ก, พวกเราท่านทั้งหลายรู้คุณค่าของศีลแล้วหลวงพ่อจะเป็นผู้พานาสมาทานศีล นะโมตัสสะภควะโตอราหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสีเลนะนิพุติยันติตัตสมาสีหลังวิโสธาเยเอานั่งสบายๆนะทีนี้นะจะนั่งคัดสมาธิก็ได้หรือจะนั่งพับเพียบก็ได้เดี๋ยวหลวงพ่อจะกล่าวเรื่องธรรมะให้กับพวกเรามท่านทัน้งหลายได้ยิน ฟังเพื่อการศึกษาหลวงพ่อคงจะไม่พูดนานพวกเราก็คงจะมาเหนื่อยมาก่าจะมาถึงที่นี่ได้เพราะนั้นหลวงพ่อกล่าวเพียงแต่ว่ากล่าวต้อนรับพวกเราคณะจตหายาโยมลูกหลานที่มาสู่วัดของหลวงพ่อถ้าาว่ามาแล้วกลุ่มใหญ่ถึงขนาดนี้คุณเกือบห้า 6 70คนถ้าว่าหลวงพ่อไม่ได้กล่าวอะไรเลยมันเกิดเมือนกับขาดเป็นสิ่งที่ขาดอยู่เพราะนั้นหลวงพ่อจะได้ลงมาเพื่อแสดงความต้อนรับขับสู้ลูกหลานแล้วก็กล่าวจะได้กล่าวธรรมะ ห, หรือว่าแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่พวกเราเพื่อ จะได้รับการศึกษาเพราะว่าเดี๋ยวนี้ประเทศไทยของเราถ้าจะว่ากไปแล้วกับประเทศที่เจริญมีสื่อต่างๆไม่รู้ว่าสื่อไหนตัวสื่อไหนก็ออกมาหลายแนวทางสำหรับเป็นการแนะนำสั่งสอนแต่็ดีไหมก็ดีแต่ถ้าผู้รู้ผ่ถ้าผู้รู้จักแยกแยะนะถ้าผู้ไม่รู้จักแยกแยะเนะี่ยก็ ตาแดงเหมือนกันนะไม่รู้จะเอาทางไหนอันไหนก็ถูกหมดนะพอมันถูกหมดแล้วไม่รู้จะเอาอยัางไงไม่รู้จะจับเงื่อนไหนเหมือนกับวิชาอาชีพของพวกเราทํามาหาค่าขายเลี้ยงชีวิตพวกหนึ่งก็ปลูกมันสำปะหลังก็แนะนำเรื่องปลูกมันสำปรหลังพวกหนึ่งก็แนะนำปลูกข้าวโพด ปลูกข้าวโพดพวกหนึ่งก็แนะนําเวลาปลูกข้าวขายข้าวก็ืได้เงินพวกหนึ่งก็แนะนําปลูกยางปลูกยางก็ได้เงินปลูกถั่วก็ได้เงินปลูกวัชพืชมีตังเยอะแยะได้เงินทํำราชการเป็นพี่ภากษาได้เงินเป็นอายการได้เงินเป็นตำรวจได้เงินเป็นทหารได้เงินเป็นครูบาอาจารย์ได้เงินเป็นหมอได้เงินอ้าว ทำไมได้เงินมากนักจะให้ผมทำยังไงใอ้ทีนี้ถ้าคนที่ฟังไม่รู้จักแยกแยะเดี๋ยวก็ไปทานาเดี๋ยวก็ไปทำไรเค้าโพดเดี๋ยวก็ไปทไาปทมันสัาปะหลังบางทีก็ไปทำยางกับเขาพวกในสูตก็เลยไม่ได้อะไรสักอย่างเพราะเหตุไรเพราะมันสับสนไม่รู้จักแยกแยะไม่รู้จักว่าอันไหนผิดอันไหนถูกอันไหนควรไม่ควรเราจะปฏิบัติอย่างไร นี่แหะเมื่อได้ยินเข้ามาถ้าเราไม่ได้ศึกษาให้ถี่ถ้วนแล้วเราจะแยกแยะไม่ได้เพราะอันนั้นก็ขายยางทํายางก็ได้เงินทํานาก็ได้เงินขายข้าวนะเนี่ยมันขายมันสำปะหลังก็ได้เงินมิตรได้เงินทั้งหมดอันนี้ก็เหมือนกันภาวนาพุทธโธก็ได้เงินได้ทำมันได้ความสงบยุบหน่อพองน้อก็ใชัยกําหนดดูจิตก็ใชัย เอาเวาทนากําหนดดูเวทนาก่อยฉ่เพ่งกระสินก่อยไฉ่ผลที่สุดก็เลยไม่รู้จะเอาอะไรทีนี้เลยสับสนวุ่นวายอันไหนก็ถูกหมดเลยเดี๋ยวกระโดดตอนนั้นเดี๋ยวกระโดดตัวนี้ผลที่สุดก็เลยไม่ได้อะไรสักอย่างเพรา ะ, ะไรเพราะเราไม่จริงจังและไม่จริงใจในเรื่องนั้นๆนะเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ขอฝากไว้กับคณะจัตตาญาติโยมแต่หลวงพ่อเองไม่ได้ให้แคบนะ แต่ถ้าว่าพวกเราท่านทั้งหลายรู้จักแยกแยะแล้วก็ดีมีประโยชน์แต่ถ้าไม่รู้จักแยกแยะแล้วก็พวกท่านทั้งหลายเมื่อได้ยินได้ฟังแล้วก็งงเหมือนกันนะแต่บางคนเขาก็บอกว่าทำไมทําไมครูบาอาจารย์จึงแนะนําให้คนทั้งหลายภาวนากับเวลาเดินขาขวาพุทขาซ้ายโทธเหมือนกับเหยียบพุทโท ทั้งใส่ฝาเท้าเออพาอะใหญ่พาะวักก้าว ข, ขาขวาพุทขาซ้ายโถเหมือนกับเหยียบพุทธโท อ, อจะไม่การเป็นการเหยียบย่ำหรอจะไม่เป็นบาปทางจิตใจหรอ อ, อันนี้ก็มีคนทกเถียงขึ้นมาในช่วงหนึ่งหลวงพ่อเองก็บอกว่าจะไปคิดอย่างนั้นทีเดียวไม่ได้ เ, ออเราเออให้ภาวนาเมื่อเรานั่งนั่งภาวนาไหม ต่้งกายส่วนไหนมันไม่กระดุกกระดิกมีแต่ลมหายใจเข้ารูา้หายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกเร า, เาก็ให้กำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกก็นั่งเราไม่กระดุกกระดิกแต่เมื่อเราเดินเมื่อเดินขาขวาเนี่ยเดินขาซ้ายเดินเราก็ออกพุโทโธใส่ขาขวาขาซ้ายขาซ้ายขาขวาพดขาซ้ายโธ เพราะมันเคลื่อนไหวถ้าเราจะไปใส่จมูกมันก็ไม่ใช่เรื่องในขณะที่เดินจงกรมเพราะนั้นเราจะเอาใส่ขาที่มันก้าวเดินขาขวาพุธขาซ้ายโทแต่ตามไม่จริงเราจะเป็นการเหยียบย่ำไหมถ้าคิดดูให้ดีใครเป็นคนว่าเหยียบย่ำใจใช่ไหมใจของเราใช่ไหมไปให้ความสำคัญว่าศรีรษะของข้าพเจ้าในสูง ตีนของข้าพเจ้านี่ต่ําใครเป็นคนให้ความสําคัญเ อ, อตีนมันสาคัญใช่ไหมใจ ต, ตีนมันให้ความสําคัญใช่ไหมหัวมันให้ความสําคัญใช่ไหมก็ใจของเราไปให้ความสําคัญว่าหัวสูงตีนต่ำํำออแต่ตามไม่จริงตีนมันถามแล้วใช่ไหมตีนมันต่ำไหมหัวมันสูงไหมมันก็ไม่ได้รับว่าอะไรแต่เราไปให้ความสมมุติมัน เราไปให้ความสมมุติมันมันเขาอัดเตงตามหัวสูงแต่ตามไม่ยิงมันเสมอกัรนะอยู่ในร่างกายของเราถ้าคิดดูให้ดีตามธรรมชาติมันธรรมดาหัวกับตีนมันก็อยู่ในอวัยวะเดียวกันอยู่ในตัวของเราเดียวกันถ้าหากว่าหัวว่ามึงสูงซะมันดูถูกเตียตัดตีนทิ้งใช่หัวมันจะเดินได้ไหมมันก็เดินไม่ได้ถ้าหากว่าจะว่า ตีนมันเก่งไหมตัดหัวทิ้งใช่มันเป็นยังไงมันก็ขามันก็เดินไม่ได้เหตุเหตุอะไเพราะมันอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเราอย่าไปให้ความสําคัญว่าตีนสูงหัวต่ําตีนต่ําหัวสูง เ, เพียงแต่ว่ามันเคลื่อนไหวในขณะเดินมันเคลื่อนไหวเราก็เอาการเคลื่อนไหวของเร า, เากําหนดพุทธโถในเมื่อเรานั่งเราก็กําหนดลมหายใจเข้าหายใจออก บริกรรมพุดโธเนี่ยอันนี้แหละถ้าว่าเราจับประเด็นได้นะเราก็จะแยกได้ว่าอันไหนควรม่ควรอย่างไรเพราะฉนั้นพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นของพวกเรานะแต่หลวงพ่อจะไม่พูดเรื่องทานเรื่องศีล น, นะเรื่องศีลหลวงพ่อพูดให้ฟังแล้วแต่เรื่องทานหลวงพ่อจะไม่พูดหลวงพ่อจะเน้นเรื่องภาวนาเพราะพวกเราคงจะสนใจเรื่องจิตภาวนาอฮ้ เพราว่าภาวานานอย่างหลวงพ่อเนี่ยเป็นพระมาแต่อายุมาแต่เป็นสัมมาเนนอยู่กับครูบาอาจารย์หลวงปู่ล่าที่เป็นครูบาอาจารย์ของหลวงพ่อหลวงพ่อบวชมาตั้งแต่อายุ11 12อ็ดสิอปีเป็นสัมมเนนอยู่8ปดปีเป็นพระอยู่หนึ่งพันษายอยู่ภูเจก้อก้าปีจากนั้นก็ได้ ไปจำพรรษาที่วัดหลวงปู่จามมหาปุญโย1ปีจากนั้นก็ขึ้นไปอยู่จำพรรษาเชียงใหม่กับหลวงปู่แหวนหลวงปู่หนูปี2อ1 0 2,510 1เนี่ยนยปีกลับลงมาจำพรรษากับหลวงปู่จามที่หลวงอาอีก1ปีเดง็นหลางเนี่ยหลวงพ่อมาจำพรรษา ที่วัดป่าบ้านตาดกับองค์หลวงตานะ่ตั้งแต่ปี 2,512 ถึง 2,525 หลวงพ่ออยู่กับองค์หลวงตาเป็นเวลา14ปีจากนั้นจึงได้มาจําพรรษาณนะที่นี่ต อ, ตองปี 2,525 2 25 5, 25 5ปีนี่ก็ 2,557 เป็นเวลาเท่าไหร่นี่แหละหลวงพ่อฝากชีวิตไว้ในพระพุทธศาสนายืนยาวยาวนานทีเดียวนะลูกหลานนะ เดี๋ยวนี้พรนศาของหลวงพ่อก็น50าสนะห้อยู่เดี๋ยวนี้แหละรวม8พรรษาเป็นสมณะก็58ปีชีวิตทั้งชีวิตของหลวงพ่อฝากฝังไว้ในพระพุทธ ศ, ศาสนาเป็นเวลา58ปีและก็อายุหลวงพ่อเท่าไหร่นะเจปีนี่นะนี่แหละอายุของหลวงพ่อที่ฝากฝังไว้ในพระพุทธศาสนายาวนานทีเดียวลูกหลานเพราะฉะนั้นหลวงพ่อแสดงความคิดเห็น ที่ผ่านๆมาปฏิบัติอย่างไรรู้เห็นอย่างไร เ, เคยอยู่กับครูบาอาจารย์อย่างไรแต่ละแต่ละช่วงชีวิตของหลวงพ่อตั้งแต่เป็นสัมมเนนมาจนถึงเป็นพระน้อยพระหนุม่มจนเป็นพระปูนกลางจนเป็นพระอายุมากถึงขนาดนี้หลวงพ่อจะแสดงความคิดเห็นให้กับผู้กับหลานเพื่อเป็นแนวทางเป็นทางเลือกสําหรับลูกหลานชวนจบปฏิบัติเอาอย่างไนมากน้อยแค่ไหนอย่างไร อันนั้นหลวงพ่อไม่ได้จํากัดไม่ได้จํากัดไม่ได้ผูกขาดพวกท่านทั้งหลายจงเชื่อหลวงพ่อที่เดียวนะหลวงพ่อก็ไม่ได้ประกาศถึงขนาดนั้นเพียงจะบอกแนวทางให้เป็นอย่างนี้นะลูกหลานนะศรัทธาญาติโยมนะปฏิบัติ ด, ดูนะอย่างนี้ที่หลวงพ่อเคยผ่านมาเคยปฏิบัติมาได้ผลอย่างนี้นะหลวงพ่ออธิบายให้ฟังเพราะว่าหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านะ ไม่ใช่บอกให้ฟังแล้วพวกเราท่านทั้งหลายจะเชื่อทีเดียวนะ อ, อย่างในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะดูก่อนสารีบรที่เราตถาคตพูดไปนี่นะท่านเชื่อไหมที่เราพูดนะภาษาลิบุตรยังก่อนพระเจ้าค้าเพราะข้าพระองค์ยังไม่ได้นำไปปฏิบัติในเมื่อข้าพระองค์ได้นาไปปฏิบัติแล้ว ได้ผลอย่างไรข้าพระองค์จะมากราบทูลเมื่อภายหลังพระเจ้าค่ะนี่ขนาดพระพุทธเจ้าถามภาษาเลบุตรภาษาเลปุตรก็ยังไม่ครับผมทีเดียวก็ไม่ใช่เพราะฉะนั้นหลวงพ่อพูดให้พวกเราท่านทั้งหลายฟังพวกเราท่านทั้งหลายก็ต้องฟังว่าเป็นแนวทางถูกกับจริตนิสัยของเราไหมที่เราจะได้นําไปประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นหลวงพ่อ ได้นํำทำคําสอนของพ่อแม่ครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นเพราะหลวงพ่อศึกษามาสายนี้ตั้งแต่เป็นสัมภาร์ จ, จนถึงปานนี้แหละหลวงพ่อศึกษาหลวงพ่อมั่นใจว่าปฏิบปทาแนวแถวสายหลวงปู่มั่นหลวงปู่มั่นเป็นต้นตระกูลท่านภาวนาสมถะท่านแนะนําอย่างไรวิปัสสนาใช้ปัญญาแยกแยะวิปัสสนาท่านทําอย่างไร จากนั้นท่านก็สอนสิทธิอนุสิทธิ์ของท่านมีหลวงปู่เทศหลวงปู่ขาวหลวงปู่ฟั่นหลวงปู่อ่อนหลวงปู่หลวงตามหาบัวหลวงปู่ล่าหลวงปู่จามที่เป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่แหวนที่หลวงปู่มั่นท่านสอนจากนั้นก็ครูบาอาจารย์เหล่านี้ก็นํามาประพฤติปฏิบัติถ้าพวกเราฟังและดูแนวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ เป็นสิทธิอนุสิทธิของหลวงปู่มั่นแล้วพวกเราจะรู้ได้ว่าแนวปฏิปทาของการแนะนำสั่งสอนภาคจิตภาวนาแล้วจะไปแนวแถวเดียวกันคือสมัติและวิปัสนาสมัติคือทำจิตใจให้สงบส่วนวิปัสนานั้นคือแยกแยะพิจารณาการกรองไตรตรองเหตุและผลที่จะชําระจิตใจของพวกเราเนี่แหละอันนี้คือ พวกถ้าพวกเราได้ศึกษาแนวแถวปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของสายหลวงปู่มั่นแล้วจะดูรู้จะลักษณะอย่างนั้นเพราะนั้นหลวงพ่อเองเอจึงได้แนะนำบอกกล่าวให้กับพวกเราคณะสิทธิานุสิทธิ์ทั้งหลายเพราะว่าหลวงพ่อมั่นใจว่าหลวงปูมาางป่มั่นก็ดีครูบาอาจารย์สายหลวงปู่มั่นก็ดี ในเมื่อท่านจุตินิพพานไปแล้วพวกเราได้พระราชทานเพลิงศรีระของท่านหรือได้ไประชุมเพลิงท่าน อ, อ, อธิษฐานของท่านก็ได้กลายเป็นพระธาตุให้พวกเราได้เห็นเป็นพระธาตุ เ, เป็นเม็ดกลมอันนี้คือกระดูกกระดูกของพระอรหันต์นี่แหละพวกเราควรจะมั่นใจได้ว่าปฏิปทาและแนวแถวสายหลวงปู่มั่นเป็นปฏิปทาที่เ อ, อ เดินสมถะและวิปัสสนาจนถึงหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสได้เพราะว่าที่ท่านสอนเราก็ฟังศึกษานี่แหละเป็นแนวแถวที่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าที่ท่านทรงออกไปบวชไปบำเพ็ญอยู่ในป่าถึงหกปีหลวงพ่ออ้างอิงพระพุทธเจ้าบำเพ็ญอะไรในวันเดือนหเพนนนั้นท่านทำยังไงในวันเดือน6กเพนน็น ในคืนที่ท่านได้ตัดสู้นนะที่ท่านสำเร็จได้ตัดสู้อะไรสำเร็จอะไรท่านภาวนานั่งภาวนาตอนหัวคำ่ำขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้ายทำกายให้ตรงดำรงสติเฉพาะหน้ากาหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้ว่าหายใจออก มีสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกจากนั้นพระไทยใจของพระ อ, องค์รวมสงบลงเป็นหนึ่งเมื่อรวมสงบแล้วเกิดญาณทัศนะเกิดฌานขึ้นมาว่าุเพเพนิวาสานุสติยานลำลึกชาติโหนหลังได้อันนี่แหละคือพระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นวันเดือนหกเพจ น, นั้นจากนั้นพระ อ, องคเออ์เมื่อได้ตรัสรู้ สอนเที่ยงคืนกับตุตูปะ ป, ะปะตาตญาพอกตวนสว่างอาสาวัคคายาณแต่ศัตรู้เป็นพระอนุตรสัมมาสัมโพธิญาณจากนั้นหลวงปู่มั่นท่านก็นเอากรรมาฐานของพระพุทธเจ้ามาแนะนําสั่งสอนสิญาณอุสิต ท, ท่านบอกว่าถ้าว่ากําหนดลมหายใจเข้าครัวหายใจเข้าหายใจออกครัวหายใจออกมันสั้นเกินไปมันหลุดได้ง่ายมันหลอกหลงได้ง่ายมันเผลอได้ง่าย ควรจะบริกรรมหายใจเข้าพดหายใจออกโถเออเอาพดโถกกำชับเขาด้วยเพื่อจะให้มัน เ, เพื่อไม่ให้มันหลงลืมได้ง่ายให้บริกรรมพดโถด้วยนะอันนี้ก็คือหลวงปู่มั่นที่ท่านแนะนำสั่งสอนสิทญิอนุสิทธิของท่านต่างองค์ก็ตองต่างยอมรับว่าหลวงปู่มั่นแนะนำถูกต้องเป็นที่ยอมรับอย่างเช่นหลวงตามหาบัว ท่านก็บอกว่าทีแรกท่านก็กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าอย่างพระพุทธเจา้าแต่พอกำหนดไปแล้วมันหลงหลงเงื่อนหลงซ่อนลืมหลงได้ง่ายพอได้มาได้รับคาแนะนำจากหลวงปู่มั่นบอกว่าต้องพุทโธด้วยนะหลวงตาท่านก็เลยบังคับให้อยู่กับพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโท เ, เวลากำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไม่ต้องกาหนด ไม่ต้องตามลมเข้าไปในท้องไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกเพียงแต่ให้มีสติสัมปชัญญะในปลายจมูกลมเข้าให้รู้ว่าลมเข้าลมออกให้รู้ให้รู้ว่าลมออกไม่ต้องตามลมเข้าไปและไม่ต้องตามลมออกไปเพียงแต่รู้ว่าลมเข้ากับลมออกและเหมือนเหมือนฉมเมือนว่าเรายืนอยู่ข้างประตู ประตูขึ้นศาลาแนละ้วเรายืนอยู่ข้างประตูคนขึ้นมาศาลาเราก็รู้ว่าคนขึ้นมาคนออกไปเราก็รู้ว่าคนออกไปนะเพียงแต่รู้ว่าคนขึ้นรู้ว่าคนลงเท่านั้นพออันนี้ก็คือสติสัมปชัญญะในลมหายใจเข้าหายใจออกเนี่แหละถ้าเมื่อเราไม่ได้ส่งจิตไปที่อื่นจิตใจของเราก็จะรวมสงบได้แต่ถ้าบางคนมันยังลดได้เร็วอยู่ มันยังหลุดออกอยู่ให้บริกรรมพุทโธให้ทีพุทโธพุทโธพุทโธพุทโธเอาจิตที่ใจความรู้สึกนึกคิดนั่นสัมทับอยู่กับตัวผู้รู้รู้รู้รู้พุทโธพุทโธพุทโธพุทโธอย่าให้มันไปที่อื่นอันนี้ก็ทําให้ใจของเราอยู่นิ่งได้เพราะเหนแ้วเพราะใจของเราไม่เผลอไปทางอื่นอันนี้ก็คือส่วนหนึ่งแต่ถ้าว่ามันยังเผลอไปอีกอยู่หลวงพ่อแนะนําให้ หลวงพ่อแนะนําให้พวกเรานับดูนะอันนี้หลวงพ่อบอกได้ผลได้ผลเห็นกับตาเลยเร็วพรเลขหายใจเข้านับหนึ่งหายใจออกนับสองสามสี่ห้าห ก, หกเจ็ดแปดจนสิบถึงร้อยถึงร้อยแล้วกลับมาหนึ่งใหม่อีกถ้ามันไม่เผลอนะแต่ด้วมากมันเผล่นะใหม่ๆนี่เผลอแน่นอนเลยเออยังไม่ถึงสิบมันเผล่แล้วมันเผล่ไม่เผลอยังไงหายใจเข้าเป็นเลขขี้ หายจะออกเป็นเลขคู่ขี้คู่คี้คู่ขี้คู่เนีพอมันจะเผลอมันจะคู่นะขี้เธอหายใจเข้าเลยเป็นเลขคู่หายจะออกเป็นเลขคี่หายใจเข้าเป็นเลขแปดหายจะออกเป็นเลขเก้านะหรือหายใจเข้าเป็นเลขสหายจะออกเป็นเลขห้าลักษณะอย่างนั้นตามไม่จริงหายใจเข้ามาเป็นเลขหหายจะออกเป็นเลขหนะเพราะฉะนั้นให้เราสังเกต ถ้าเราพยายามอยู่อย่างนี้นะพยายามใส่ใจสนใจในการภาวนาอีกสักวันหนึ่งไม่เหลือวิสัยพราะเราตั้งสติให้แน่วแน่อยู่ที่ปลายจมูกของพวกเราจากนั้นนะอ่ะวิธีการภาวนาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่มัน่นอันนี้คือส ม, มะะัตทําจิตใจให้สงบให้บริกาบริกรรมอย่างนี้ถ้าเรามีสติดีแล้วนะ จิตของเราก็ไม่ปูงฟุ้งไปทางอื่นจิตใจก็รวมสงบลงเป็นหนึ่งได้ง่ายในเมื่อจิตใจรวมเป็นพื้นฐานพอสมควรแล้วก็นำมาพิจารณาทางด้านปัญญาเรียกว่าวิปัสนาวิปัสนาคล้ายๆว่าแยกส่วนแบ่งส่วนเราจะพิจารณาร่างกายอย่างที่พวกเราสวดเมื่อกี้เนี่ยเกสาผมโรมาข น, นาขาเล็บทันตาฟันตะโจหนังมังสังเนื้อ เราจะแยกส่วนแบ่งส่วนของร่างกายก็ได้เหมือนกับเราชำแหละอาจารย์ใหญ่อย่างนั้นอ่ะเอาผมไว้กองหนึ่งเอาขนไว้กองหนึ่งเล็บไว้กองหนึ่งฟันไว้กองหนึ่งหนังไว้กองหนึ่งเนื้อไว้กองหนึ่งเออกระดูกไว้กองหนึ่งเอ่อตับลำไส้ปอดหัวใจเอาไว้คนละกองละก่องนี่แหละชำแหละดูเจ้าอันไหนเป็นของเราเด็อันนี้จะเป็นวิปัสสนาแล้วนะทีนี้นะ เฮ้อหาความจริงเราจะเน้นว่าร่างกายสังขารเป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอีกสักปันหนึ่งไม่รู้ว่าวันไหนตัววันไหนละเราจะต้องลาโลกนี้ไปร่างกายของเราก็จะถูกเผาเผ า, า, าไฟทิ้งเถ้าเขาไม่เผาไฟกันนะถ้าว่าเกิดศึกสงครามก็ตายของละเนรนาศอย่างพวกเราท่านทั้งหลายเห็นนี่แหละร่างกายของมนุษย์เป็นอย่างนั้นจริงไหมใจนี่แหละสรุปแล้วก็คือเมื่อ ใจของเราผ่านความสงบไปแล้วจิตนิ่งแล้วน่อจิตที่ผ่านความสงบแล้วใจกับกายกายกับใจจะรู้ได้ด้วยตนเองว่าร่างกายเหมือนกับร่างกายเหมือนกับรถแต่จิตใจเหมือนกับคนขับรถรถกับคนขับรถเนี่ยนาะเห็นได้ชัดในในกายใ น, ในใจของพวกเราเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเราคณะสัตยาธิวรมุขลานทุกคนนะฝึกหัดเรื่องภาวนาแต่หลวงพ่อว่าให้เน้นเรื่องสมาธิก่อน แต่เว้นเสียแต่ผู้ที่จะเดินปัญญาก็เดินปัญญาพิจารณา ถ, ถึงธาตุสี่ดินน้ำลมไฟหรือว่าอายตนะตาหูจมูกเลี้ยงกายหรือว่าอสุภะปฏิกรูนร่างกายของเราเต็มไปด้วยของปฏิกูลสศกโคลกอยู่ข้างในมีแต่เนื้อมีแต่เอ็นมีแต่กระดูกมีแต่สิ่งที่ปฏิกูลไม่ของไม่เที่ยงแท้แน่นอนสิ่งเหล่านี้ก็อยาก ฝากไว้กับพวกเราอันนี้คือวิปัสสนาะแต่สมถะคือทาจิตใจให้สงบจิตใจให้เป็นหนึ่งจะเลดกรรมาฐานอันไหนตามแนวแถวสายหลวงปู่มั่นแล้วท่านให้ภาวนาบริกรรมพุทโธเป็นหลักนะเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านถ้าคนมีพุทโธในจิตในใจมีจิตจิตใจได้รับความสงบเป็นพื้นฐานแล้วนามาพิจารณาทางด้านปัญญาก็เป็นปัญญาที่แท้จริง พิจารณาถึงความตายเพียงแค่นั้นก็ซึ้งในจิตในใจเนี่ยแต่ก่อนเราไม่คืดไม่คืดเห็นความตายกระทำธรรมดาธรรมดาเพราะเห็นด้วยสัญญาสังขารแต่ถ้าว่าเห็นด้วยปัญญาเนี่ยเราจะซึ้งในจิตในใจของพวกเราเพรา ะ, ะนั้นขอให้พวกเรา ท, ทุกท่านนะคณะทศธาญาจมลูกหลานทุกคนนะยึดแนวแถวปฏิปทาของหลวงปู่มั่นพาดําเนินหลวงพ่อเองมั่นใจ แนวทางปฏิปทาในพวกเราจะประสบแต่ความสุข เ, เรื่องสมาธิและวิปัสสน า, เ, าเดินทางจะไม่ถูกเดินทางจะไม่ผิดทางาถ้าเราเห็นนิมิตเกิดขึ้นจะเป็นเรื่องอะไรก็าตามถ้าเป็นนิมิตร เ, เราจะไปดูยาไปดูนิมิตนั้นให้ย้อนกรรมฐานเข้ามาหากรรมฐานคือกรรมฐานเดิมที่เรากาหนดอะไร เรากำหนดลมหายใจเข้าออก เ, ออเท่านั้นแหละ เ, เราไม่ต้องตามดูนิมิตแต่บางคณาจารย์บอกว่าเห็นนิมิตเกิดขึ้นเพ่งให้เห็นนิมิตแล้วก็เดินตามตามนิมิตผลในสุดเป็นบ้าเป็นบอได้ง่ายๆนะ อ, อ, อย่างนั้นหลวงปู่คูบอาจารย์ท่านไม่ให้ส่งจิตออกนอกถ้าใครก็ตามส่งจิตออกนอกเพอนะ้อเพลิดเยเสียศูนย์ไปได้ง่ายๆวิปัสสนุอุปกิเลสเป็นบ้าได้ง่ายๆทำแตกได้ง่ายๆ เพราะฉนั้นขอให้พวกเราทุกท่านถ้ามีปัญหาที่เกิดขึ้นมากับเข้าไปหาครูบาอาจารย์ศึกษากับท่านและท่านจะได้แนะนําสั่งสอนไปในทางที่ถูกต้องในเมื่อเราได้ศึกษาดีแล้วน่นนะเราก็มั่นใจในการเดินทางของพวกเราเพราะฉะนั้นขอให้พวกเราทุกๆท่านนะให้ภาวนาภาวนาให้ยึดแนวแถวปฏิปทาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ กาสรุปแล้วก็คือว่าหลวงปู่มั่นสอนวิธีสอนแบบวิธีทํานาพูดง่ายๆทำยังไงทํานาเราก็เปลี่ยนวิธีแบบหลวงปู่มั่นได้เงินเหมือนกันแต่สายอื่นก็ได้เงินเหมือนกันแต่หลวงปู่มั่นท่านสอนยังไงท่านให้สมัติถากับวิปัสสนาแยกแยะยังไงจิตใจของเราเบื่อหน่ายคลายจิตใจหลุดพ้นจากอาสวะกิเลสอย่างไรถ้าพวกเราได้ศึกษาแล้วพวกเราจะรู้ได้ด้วยตนเองนะ การกล่าวสมมบทนิยกรฐานในวันนี้ก็เห็นว่าสมควรกับการเวลาด้วยอำนาจคุณพระ ศ, ศีรัตนตรายพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขอให้คุ้มครองพวกเราท่านทั้งหลายขอให้คณาจารย์ญาติโยมลูกหลานทุกคนจงประสบแต่ความสุขความเย็นใจความสุขความเจริญทั้งคดีโลกและคดีธรรมปรารถนาสิ่งใดอยู่ในกรอบของศีลธรรมก็ขอให้สมหวังดังปรารถนา ดวงตาเห็นธรรมในที่จุดทุกทุกท่านด้วยเทิน